เรื่องในความมืดขณะจนมุมที่ก้นเหวหลายคนบ่นให้ บางเออทำไมช่างประจวบเหมาะพร้อมกันเอาในปีนี้ เมื่อปล่อยให้ตัวเองกระศัพท์กระสายคุณจะรู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่จะนิ่งให้ตัวเองกระสับกระส่ายคุณจะทำไม ท่ามกลางความฟุ้งซ่านระส่ำระสายของคนรอบตัว ก็คือสติหากคุณไม่รู้จักคำว่าสติเพียงในหน้ากระดาษสติชีวิตคุณจะไม่มีวันมืดขนาดคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าประตูอยู่ตรงไหนไม่รู้จัก และด้วยอาการสงบเงียบไม่ฟุ้งซ่านพล่าน และเหมือนแต่ถ้าโดยประสบการณ์ตรงคุณยังไม่มีโอกาสพบแรงบันดาลใจเช่นนั้นทําเพราะถ้าคุณเป็นมนุษย์โดย อาการที่เกิดสติก็คืออาการที่จิตมีความสามารถระลึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นค่อยให้ความคิดทำงานอย่างเป็นระเบียบเห็นตามจริงว่าสิ่งใดเป็นตัวปัญหาปัญหาประกอบด้วยชิ้นส่วนใดบ้างเห็นให้ครบหรือถ้าไม่ครบก็ให้มากพอจะรู้ต้นตอของปัญหาขอให้จำไว้อย่างนึงคือถ้ามีความตระหนักว่ากำลังเกิดปัญหาใดและเห็นตามจริงว่ารายละเอียดของปัญหามีอะไรบ้าง ความฉลาดจะเกิดขึ้นเองฉลาดจะเกิดขึ้นเองที่ตรงนั้น และลำบากยิ่งคือพลังจิตที่จะพิชิตปัญหาทุกชนิดได้ก่อนสายจะมีกําลังใจสู้กับ เป็นเศรษฐกุลทอดหุ่ยเมื่อรู้สึกระสาย กระทั่งจิตเรียบไส้ดุจกระจกและปากคุณจะปิด และจิตที่เป็นสมาธิอย่างดีจะไม่ปล่อย หากขอให้มีเพียงสติตัวเดียวยอมรับตามจริงให้ได้เหลืออะไรในที่สุดสิ่งแวดล้อมขอให้มีเพียงสติ ก็ไม่มีทางตกต่ำถึงที่สุดอย่า